อาหลกหลานอยู่ในความสงบวันนี้เป็นวันวันนี้เป็นวันพุทธที่21มิถุนายนพุทธศักราช2560พระในวัดของเราขณะนี้37รูปสมเณรหนึ่งรูปนาคสี่เมื่อวานหลวงพ่อเองได้ไปฉันที่ขอนแก่น เขาทำบุญนายกนายกอบจอมั้งท่านอายุครบหกสิบปีเสียโตก็เคยมาทำสะพานให้กับเราเราก็ได้รับในื้อมนไปฉันเมื่อเช้าออกแต่เช้ามืดแล้วก็กลับมาเมื่อตอนบ่ายโมงมาประชุมอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรโรงพยาบาลประจำจังหวัด ตึกหลวงตานะ่ชั้นเจ็ดประชุมเกี่ยวกับมูลนิธิดูแลพระสงฆ์อาพาธแต่ิตุตตปัจัยของมูลนิธิของเราก็พยายามค่อยๆขยับไปเรื่อยๆเพราะว่าพวกเราไม่ได้โปรโมทประชาสัมพันธ์แต่ก็ทั้งฝ่ายนายแพทย์พยาบาลผู้เกี่ยวข้อง เราก็ให้ท่านปลัดนิคมนะพอออนันต์ทั้งเป็นฝ่ายนั้นให้ช่วยๆกันดูนะหลวงพ่อกับนั่นนะ่ะมอบความไว้วางใจให้กับพวกเรานั่นะถ้ามีความจำเป็นจะ ต, ต้องได้ใช้อย่างไรก็ใช้ให้เกิดประโยชน์แต่ถึงอย่างไรก็มูลนิธิของเราตั้งขึ้นมาใหม่ไม่เหมือนมูลนิธิ ศีนครินหอพิบาลสงหลวงปู่มั่นอันนั้นแปลว่าเดินได้แล้วเดินด้วยปีแข่งของตนเองได้ปีที่แล้วก็ใช้เงินเกือบเจ็ดล้านนะแต่ว่าปีนี้ก็ทอดผ้าป่าก็ได้แปดล้านนะก็แปลว่าดูแลพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ได้เต็มที่แต่อุดรของเราไปฟังฟังดูเมื่อวานนะล ใช้เงินไม่กี่หมื่นนะใช้เงินยังน้อยเพราะาใช้ด้วยความระมัดระวังและก็นักโรงถาาถามดูว่าโรงเรียนแพทย์กับโร ง, งพยาบาลขนแกนกับโรงพยาบาลอุดอรเนี่ยการใช้ยาก็ แ, กแตกต่างกันอยู่บ้างคือทางจังหวัดเนี่ยเขาจะพยายามประครับประคองสมมตว่ อย่าตัวไหนคนไหนที่มันเป็นอาการหนักเป็นมะเร็งที่จะรักษาไม่หายนะี่ยเขาดูแล้วเขาจะรักษาแบบประคับประคองแต่โรงพยาบาลสีนกคกเรียนแะปลว่าสู้กันเลยเหมือนไม่ไม่ข้างใดก็ข้างหนึ่งเหมือนลักษณะอย่างนั้นการรักษานะพอรักษาทุนน้อยกับรักษาทุนมากใช่ไหมล่ะรักษาทุนมากเลยก็สู้เลยเพราะบอกกาลังประลองกัน ใครแพ้ใครชนะนะแต่วา่าโรงพยาบาลศูนย์อุดรของเราเนะี่ยแบบใช้รักษาแบบประคับประคองถ้าตัวไหนดูแล้วจะหายยังค่อยทำใช้ยาให้ดีหายแต่ดูแลมันไม่หาย ห, ายหรอกถ้าสู้ไปก็ไม่รู้จะแพ้ไม่รู้จะชนะเนะนี่ยโรงพยาบาลศูนย์เขาจะพยายามประคับประคองเ น, ะนเราก็เห็นด้วยนะ ที่การรักษาแบบเพราะเงินทุนของเรามันไม่มากนะแต่เมื่อวานก็ไปปรึกษากันกลายหลายอย่างที่พ่ออมาร่วมว่ามีพระเป็นหัวเข่าอักเสบมันลักษณะจะได้ตัดขาตัดขาจะได้ใช้ขาเทียมขาเทียมประมาณแสนห้านะ แต่ทางโรงพยาบาลจะให้ได้ประมาณห้าหมืนอันนี้มีสิทธิ์นะสิทธิ์ให้ให้ได้ห้าหมื่นจำนวนที่เหลื อ, อนั่นนะจะต้องเป็นเงินมาจากไหนเงินเจ้าตัวและเงินมนิธิและเงินอะไรหลวงพ่ออืมต้องดูถ้าว่าพอที่จะช่วยได้ก็เอก็ไม่ว่ากันนะนะทั้งพออทั้งแพทย์ทั้งหมอนั่นแนะช่วยกันคิดแล้วก็ ใช้ไปพอใหาเกิดประโยชน์เ น, นี่ยหลวงพ่อก็ไปพูดไปกล่าวเมื่อวานน่ะลักษณะอย่างนี้นะการประชุมนะทตายาิโ้งสรุปแล้วก็คือเรายังโปรโหดน้อยเกินไปแต่ถึงยังไงก็ตามที่ใครก็ตามได้ยินเสียงหลวงพ่อในวันนี้นอยากจะทําบุญกับโรงพยาบาลสงอาพาธโรงพยาบาลศูนย์อุดอรนะไม่ใช่ศรีนครินทร์ขอนแก่นศูนย์อุดอรนะ ให้ติดต่อประสานมาดังพออโรงพยาบาลสูงก็ได้เพื่อจะดูแลพระสงฆ์อาพาธหลวงพ่อว่าจะเกิดประโยชน์นะแต่หลวงพ่อก็ยังคิดอีกเหมือนกันนะโรงพยาบาลสูงอุดรก็น่าจะเป็นมูลนิธิของหลวงตาหลวงตามหาบวัวมูลนิธิหลวงตามหาบวัวญนต์สำปนนท์อันนี้จะเหมาะอันนี้ตลวงพ่อขอไม่ได้แต่แล้วหลวงพ่อจะพูดคุยกับลูกหลานของ องหลวงตาดูแต่ทึกงยังไงเราก็ไม่เอาประวัติของหลวงตามาปูยีปุยย่ม์มาทำให้เสียหายจะรักษาเราจะไม่แผลขออย่างหลวงปู่มั่นเหมือนกันที่เราทำเน่เราก็ไม่ได้แผลขอมีต่มูลนิธิตั้งขึ้นมากระดูแลพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ก็เข้าไปป่วยไปรักษาอยู่เป็นลูกกี่รุ่นต่วกี่รุ่นก็เป็นประโยชน์ อันนี้ก็เหมือนกันนะเรื่องมูลนิธิของดูแลพระสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลศูนย์อุดรลงพ่อก็ประชุมกลับมากะคำเมื่อาวานในลูกหลานแต่ลงพ่อก็ได้พูดเกี่ยวกับเจดีอยู่หลายวันลูกหลานถ้าพูดไปแล้วก่อนั้นเหมือนกับพวกเราลืมลงพ่อพาลืมความตายคนตนเอง แต่วพวกเราหลวงพ่อจะไม่ลืมนะเด็กอยพูดไปไหนไปไหนหลวงพ่อก็ยังกลับมาหลวงพ่อก็ยังมองตนเองอยู่อีกสักวันหนึ่งข้าพระเจ้าจะต้องจุดถึงจุดจบแต่กลัวลูกหลานจะลืมใช่ไหมพอหลวงพ่อพาพูดไปะลูกหลานก็จะลืมเพิ่มไปตามที่หลวงพ่อพูดเพราะนั้นหลวงพ่อจึงกระตุกอย่าไปคิดว่าตัวเองจะไม่ตายนะ อีกสักวันหนึ่งไม่รู้ว่ใครจะไปก่อนกันที่พวกเรานั่งกันอยู่มากๆเนี่ยอย่าไปคิดว่าท่านอายุแก่กว่าข้าข้าต้องไปก่อนท่านต้องไปก่อนข้าข้ายังหนุ่มอยู่อย่าไปคิดคนหนุ่มแซงคิวคนแก่ก็มีถึงเยอะแยะอคิดว่าตัวเองจะไม่ตายง่ายพูดได้ถูกก่อนะแซงคิวนี่ก็เหมือนกันนะพวกเราอยา่า อย่าไปคิดว่าตัวเองจะไม่ตายนะเพราะนั้นให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทให้เล่งความภาคเปลี่ยนประกอบคุณงามความดีไว้ให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจไว้นั่นแหละเมื่อเรามีทุนอยู่ในจิตใจของเราแล้วถึงจะอยู่นัสถานที่ใดไปเวลาใดพวกเราก็ไม่สะทกไม่สะทานไม่หวั่นไหวเพราะอะไรเพราะเราได้เตรียมพร้อม เราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเก็บหอมรอมริบไปเรื่อยๆบุญกุศลข่าไปเจ้าได้ทําไปเรื่อยแต่ละคนถ้าคนมีบุญไปเกิดท้าสถานที่ใดดีทั้งหมดไม่อกไม่เข้าตาอับตาจนเพื่อรเพราะมีบุญเพื่อกุญนุนถ้าถทาว่าพวกเราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้บุญกุศลน้อย ไปข้างหน้าไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นกับตัวของเราเพราะเราไม่มีบุญวัสนาบารมีจับอะไรก็ตกตกหล่นหลนไปเรื่อยพนัากงารสั่งสมบุญกุศลใครจะเป็นคนสร้างใครจะเป็นคนทำให้เรามันมีแต่เราเท่านั้นแะที่จะทำเอาเองเหมือนกับเราทานอาหารเนี่ยที่หลวงพ่อเคยพูดเคยกล่าวเราหายใจเราทานอาหารเราออกกำลังกาย ใครจะออกกําลังกายแทนเราก็ไม่ได้เราใครจะแทนทานอาหารแทนเราก็ไม่ได้ใครจะกินยาแก้ปวดแก้ไข้แทนเราก็ไม่ได้เราต้องรักษาเองนี้ก็เหมือนกันใจของเรามีกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงใครจะทําแทนเราได้ไม่มีใครที่จะทําแทนเราได้นอกจากเราทําเอง การสังสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจก็เหมือนกันจะให้ใครมาทําให้กับเราแทนทําแทนเรามันแทนกันไม่ได้บางสิ่งบางอย่างมันแทนกันได้แต่บางสิ่งบางอย่างมันแทนกันไม่ได้ส่วลึกแล้วใครทํากรรมชั่วใครทํากรรมดีกรรมดีและกรรมชั่วคนนั้นเป็นเป็นผู้รับนะถ้าใครทํากรรมเนีชั่วะอคนนั้นก็รับเอ แต่ทางโลกบางสิ่งบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเผลไผให้คนอื่นรับแทนก็ได้ <c oughs> เอาเงินว่าจ้างทว่าอาจ้างท่านายจ้างอะไรแต่คนที่สูบกละเบนไปทางอื่นแต่ทั้งทีทุกคนทําผิดนีอีกมีอีกผู้หนึ่งแต่คนที่ไม่ได้ทําก็รับเอารับแทนเพื่อได้อยากได้ผลตอบแทนการเงินในโลกนะี่มันมีทั้งนั้นอแต่กรรมเนี่นไม่ได้ ใครทํานี่ตรงยิ่งกว่าตรงอีกใครทํากรรมชั่วใครทํากรรมดีกรรมดีและกรรมชั่วจะตามสนองเพราะฉะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะเกิดมาทั้งที่ชีวิตได้พบพระพุทธศาสนาหลวงพ่อน้ําย้ําแล้วเน้นอีกว่าตายแล้วไม่ศูนย์ถ้าตายแล้วศูนย์ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรตายแล้วมันดับเหมือนกับควันบุหรี่เข้าไปในอากาศแล้วหายไปเลยมันมันศูนย์ แต่นี้มันไม่ใช่จิตวิญญาณและดวงวิญญาณของเราเนี่ยออกจากร่างนี่แล้วมันจะต้องไปปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆออยากจะรู้ให้ชัดเจนให้นั่งภาวนาอย่างที่ว่าจิตใจเป็นสมาธิแล้วจะเห็นได้ชัดถ้าจิตใจไม่เป็นสมาธิมันจับไม่อยู่ตัวเนี่ยตัวนามวธรรมาตัวนี้มันเลือนเลือนลางๆงไปเรืเอ่อยเพราะว่าจิตใจไม่ไม่เน่งไม่เป็นสมาธิ ถ้าจิตใจของเราเป็นสมาธิเน่งกําหนดลมหายใจเข้าออกจิตเน่งพอจิตเน่งจะมองจะจับตัวผู้รู้คือใจของเราเนี่ยเห็นและเห็นใจเห็นตัวผู้รู้ชัดเจนอบอกตัวเองได้เลยในะตัวนี้แหละจะพาไปเกิดในภพภูมิต่างๆตัวนี้แหละตัวหลงตัวนี้แหละกิเลสราคะโทสะมันอยู่กับตัวนี้มันปรุงมันแต่งอยู่ในตัวนี้เหมือนกับ น้ำมันตัวน้ำมันมันเข้ากันพอกิเลสกับใจมันเหล็กกับสนิมลักษณะอย่างนั้นสนิมกับเหล็กมันอยู่ในนั้นอยู่ในกันแต่มันกัดมันกัดก่อนมันกัดกร่อนใจตัวกิเลสราคะโทสะโมหะมันกัดกร่อนจิตใจแต่ใครล่ะจะเป็นผู้ชำระ ใจเองนเป็นผูช้ชําระกิเลสตัวนี้มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรกิเลสราคะตัวนี้ความกำหนัดจินดีกิเลสโทสะโมโหโกธามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรถ้ามีสมาธิาจะมองเห็นได้มองเห็นกิเลสในใจของเราทุกตัวเราโลภไปเพื่ออะไรเดี๋ยวนี้เราโลภใช่ไหมเราอยากใช่ไหมอ ย, อยากอยากอยู่ยังไงในจิตใจตรงมันใช่ไหมแล้วก็โกรธ ปยาบาทอาฆาตอยู่ลึกๆในใจของเราอยู่ใช่ไหม เ, เรามีความรักใคร่ด้วกิเลสราคาตัญหาอยู่ใช่ไหมเราหลงง ม, มงายาตัวเองจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยู่อย่างนั้นใช่ไหมถ้าว่าเรามีสมาธิใจของเราเน่งเราจะเห็นได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครแล้วแต่มองเลยเห็นเลยนี่แหละหละักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าจว่าอาการิโกและปัจจตัง ไม่ต้องถามใครรู้ด้วยรู้ได้ด้วยตนเอ ง, งนะขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะพูดทางนี้ทางนั้นเนี่ยเรื่องสมาธิเป็นจริงที่จำเป็นสำคัญเวลาก่อนหลับนอนกับพยายามนั่งสมาธิอย่างน้อยสิบยี่สิบสามสิบนาทีเราทำอย่างอื่นเรายัางทำได้สำหรับครวดญาติโยมแต่สำหรับพระไม่ต้องพูดถึงนะถ้ามีโอกาสเมื่อไหร่ก็เข้าสมาธิเวลานั้นเวลาเดิน อ, อกจาก สาลาเนี่ยกพุโทโธไปเรื่อยจนถึงกุติพอถึงกุติแล้วก็ทํากิจวัตรข้อวัดทําอะไรปฏกวัติทาความสะอาดที่พักพ้าใจเสร็จแล้วนั่งเดินจงกลมนั่งสมาธินี่แหละเข้าสมาธิคือหน้าที่ของเราเราไม่ใช่หน้าที่อย่างอื่ น, น, นออหน้าที่อย่างอื่นบางครั้งเรายืดย่นออกมาทําหน้าที่อย่างอื่นพัฒนาดูแลกุติวิหารอันนั้นเราก็ดู อันนันยืดหยุนออกมาแต่พอยืดยุนเสร็จแล้วต้องเข้าสมาธิอีกคือสรุปแล้วก็คือสมาธิจิตตภาวนาเป็นหัวใจเป็นหัวใจหัวใจ ห, ใจหลักเหมือนกับชาวนานั่นถึงจะทํำยังไงยังไงก็คือทํานานเป็นหลักยังไงยังไงก็ทําสวนเป็นหลักหรือยังไงยังไงข้าราชการตำรวจทหารแต่ละหน่วยงานะตัวเองเป็นหลักหลักของเราะคืออะไรให้รู้จักหลักนะ สรุปแรกก็คือให้รู้จักหลักคือหน้าที่ของเราในขณะนี้หลักใหญ่ของเราเนะี่ยจุดใหญ่ของเราคืออะไรโดยมากมันทะเลทเลายแสลบไปเรื่อยสแสลบซ้ายสแสลบขวาไปเรื่อยมันไม่ทํางานตามที่หน้าที่การงานหรือจุดที่ตัวเองทํารวยมากมันเป็นลักษณะอย่งงางนั้นกิเลสนะมันผักดันไปในสถานที่ต่างๆจุดต่างๆ ลุ่มหลงมัวมองไปในเรื่องต่างๆเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราสังเกตนะที่พูดให้ฟังนะหน้าที่ของพระก็คือเนี่ยพือภาวนาพยายามทำจิตใจให้สงบดูใจของตนเองเพ่งมองก็ได้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกขาขวาพุทธขาซ้ายโทสรุปแล้วก็ให้มีสติสัมปชัญญะอยู่กับการเคลื่อนไหวในอริยบทในการเคลื่อนไหวของร่างกาย ในเมื่อเห็นร่างกายเราก็เห็นใจใจของเรานึกคิดเรื่องอะไรนี่แหละถ้าเห็นความนึกคิดของใจแล้วจะนี่ใจเรามันปรุงฟุ้งอะไรมันหลงอะไรมันหลงอะไรหลงในโลกนี่โดยมากมันหลงร่างกายหลงร่างกายตัวเองหลงร่างกายของคนอื่นเกิดกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วจะนี่ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดเพราะสรุปแล้วคื อ, คอหลงร่างกายของตนเองเป็นอันดับแรกเพราะนั้นพระพุทธเจ้า ท่านมองเห็นแล้วท่านตรวจตราดูแล้วว่ามนุษย์ชาติจะมีปัญญาระดับไหนก็ตามในโลกเนะี่ยหลงร่างกายของตนเองเป็นอันดับแรกนะเพราะนั้นถึงให้ท่านจึงให้กรรมฐานห้านะเวลาบวชเข้ามาจะเป็นสมมเนนก็ตามจะเป็นพระก็ตามท่านจะประทานกรรมฐานห้าให้เลยเกซาโลมานะให้พิจารณามันหลงร่างกายหลงไปขนาดไหนก็แต่ อ, อีกสักวันหนึ่งมันจะต้องทิ้ง Icon. ต้องปล่อยวางไม่ปล่อยวางก็ต้องปล่อยวางไม่ทิ้งก็ต้องทิ้งไม่ทิงท้งอะไรยังไงมั น, น, นตายไงเราจะเห็นไหมคนตายเราจะไม่จะไม่ตายใช่ไหมแต่มันไม่ยอมดูจุ Improve ดนั้นนะเพราะมันหลงในความหลงคํานี้แหละเพราะความไม่รู้คํานี้แหละเพราะมันหลงนะเพราะมันหลงเข้ามากันาดนั้นพอตัวเองว่าหลงว่าตัวเองจะไม่ตายท่านะอความโลภก็เพลินความโกรธก็ มีอะไรก็เข้ามากองอยู่กับตัวของเราหมดความหลงมัวเมาของเข้ามาที่นี่หมดเพราะอะไรเพราะหลงว่าตัวเองจะไม่ตายถ้าว่าคิดว่าตัวเองจะตายทุกลมหายใจเข้าหายใจออกจะทำอะไรต้องคิดจะโลภไปทำไมอีกสักวันหนึ่งมันพออยู่พอกินพอใช้ขนาดนี้น่าจะเพียงพอละมั้งถ้ามันยังขาดเือะข้าพเจ้ายังขาดอยู่นะมันยังไม่เพียงพอนะ อย่าไปหลงว่ามันจะพอนะเราก็พยายามการทําการทํางานเก็บหอมรอมริบจุดนั้นให้มันเพียงพอให้มันพอเพียงฮอถ้ามันสติอยู่กับตัวเองอยู่แล้วนะมันจะรู้ว่ามันเกินไปหรือมันขาดหรือมันพอเป็นพอไปพอดีฮถ้าสติอยู่กับตนเองเราจะรู้ได้นะคณะธรรมญาติโยมถ้ามันไม่มีสติอยู่กับตนเองแล้วหลงแล้วนั่นแหละมันมีแต่ยาก อยากกันว่าก โ, โกรธโกรธโกรธอามาโลภโลภโลภคําว่ารักรักรักมันไม่มีที่สิ้นสุดผลที่สุดก็คือจากออกมาจากตัวความหลงนั่นแหละความหลงในจิตใจความมัวเมาลุ่มหลงมัวหมาองอวิชชาตัวอวิชชาคือความหลงมันพาให้เป็นไปได้ทั้งหมดเพรา ะ, ะนนในพวกเรามีสมาธิ ให้ดูใจของตนเองเมื่อดูใจของตนเองแล้วนะเราจะแก้ความหลงได้นอกจากนั้นแหะไม่มีนะจะไม่มีทางอย่างอื่นที่จะแก้ความหลงได้นอกจากสมาธิกับปัญญาเท่านั้นนะปัญญานะนะี่ยแหละแก้ความหลงได้สมาธิคือพื้นฐานถ้าว่ามีแต่ความรู้มีแต่ปัญญาเฉยๆสมาธิขาดตกขาดหลน่นมันก็ไม่สามารถที่จะแก้ได้ มันกระสับกระสายมันไม่แม่นนะมันยิงเข้าไปจุดนั้นไม่ไ ม, ไม่แม่นยุ่นเข้าไปทะเลทรลยพอยิงทางหนึ่งปนลูกกระสุนไปฝากฟ้ า, าอีกทางหนึ่งเพราะอะไรเพราะมันไม่ตรงเพราะไม่สมาธิไม่ดีเพราะฉะนั้นเรื่องสมาธิก็เป็นสิ่งจําเป็นสําคัญเป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานจะมองข้ามไม่ได้เด็ดขาดเรื่องสมาธินะเพราะฉะนั้นเรื่องสมาธินะเป็น สิ่งที่จำเป็นพื้นฐานนะพลูกหละนะเมื่อสมาธิดีแล้วกปัญญากับพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นปัญญาที่แท้จริงเกิดขึ้นมาได้นะวันนี้พระสงฆ์อนุมโมทนาให้พรละพรเนทนีเน